ท้ายรถบรรทุกคันหนึ่งนะมันมีข้อความที่น่าสนใจปกติเวลาเรานั่งรถเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยนะรถบรรทุกจํานวนไม่น้อยเลยนะก็จะมีข้อความอยู่ท้ายรถนะแล้วก็หลายข้อความก็ให้ข้อคิดดีๆและบางคนเนี่ยถ้ามีอารมณ์ขันสักหน่อยนะี่ยมันก็จ ะ, ะยิ้มหัวได้นะกับข้อความบางข้อความเหล่านี้เนี่ย แต่ถ้าหมอยดีๆมันก็เตือนใจเราได้และชวนให้คิดได้แตกคะแนกออกไปยังมีข้อความหนึ่งนะทารถบรรทุกเขียนว่าทุกทางออกมีปัญหานะอันนี้เหมือนกับว่าเขาจะาพูดสวนนะกับคนที่มักชอบพูดว่าทุกปัญหามีทางออกนะแต่จริงๆเนี่ยมัน มันสะท้อนอะไรหลายอย่างให้ให้ได้คิดนะเราจะมองว่าเนี่ยคนที่มองว่าเนี่ยทุกทางออกมีปัญหานี่เขามองโลกในแง่ร้ายส่วนคนที่มองว่าทุกปัญหามีทางออกนะมองโลกในแง่ดีก็ได้หรือจะมองว่าคนที่มองว่าเนี่ยทุกทางออกมีปัญหานี่เขา เป็นคนชอบมองลบนะส่วนคนที่มองว่าทุกปัญหามีทางออกนี่เป็นคนที่ชอบมองบวกก็ได้เหมือนกันนะไอมองโลกแง่ดีกับมองบวกนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะในความของขอขาตัมมาแล้วคนที่มองโลกในแง่ลบกับคนที่มองลบเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่า มันก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายกันมอลในแง่หนึ่งนะมันก็จริงนะทุกทางออกเนี่ยมีปัญหาโดยเพพาะทางออกที่เราคิดว่ามันรวดเร็วฉับไวหรือทางออกที่ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมา อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะเราเกำลังวิตกกันเรื่องโลกร้อนและรู้ว่าเนี่ยไอ้ที่โลกร้อนเนี่ยเพราะว่ามันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะไอ้ก๊าซนี้ก็เกิดจากการเผาไหม้เผาไหม้น้ำมันเผาไหม้ถ่านหินและการเผาไหม้น้ำมันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากรถยนต์เพราะนั้นเนี่ยวิธีที่จะบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้คือว่า ใช้รถยนต์นะที่ขับเคลื่อนด้วยน้ํามันกันให้น้อยลงไอ้ที่จะเลิกใช้เลยนี่ก็เป็นไปไม่ได้ทางออกคือว่าเรายังใช้รถได้แต่ว่าเปลี่ยนจากรถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ํามันก็มาเป็นรถไฟฟ้าอันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยนะมันก็ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรียกว่าไม่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะออกมา จากการเผาไหม้เลยเพราะไม่ไม่มีการเผาไหม้มันมีแต่การใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แต่ก็นี่แบตเตอรี่เนี่ยข้อดีคือมันไม่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในการขับเคลื่อนรถยนต์แต่ว่าปัญหาคือเวลาผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องอาศัยแร่ธาตุหลายอย่าง เช่นพวกลิเทียมหรือว่าพวกแร่ธาตุที่หายากนี่ร่าตรพวกนี้เนี่ยเวลาจะถลุงหรือเวลาสกัดเนี่ยนะพวกมันต้องใช้พลังงานเยอะซึ่งก็มักจะต้องใช้น้ำมันหรือถ่านหินว่าทำให้เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในกระบวนการสกัดแร่เหล่านี้ แล้มันไม่ใช่แค่สากาัดหรือถลุงแร่เหล่านี้เท่านั้นนะเวลาจะทำให้มันบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการที่ใช้พลังงานเยอะก็เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอีกนะยังไม่นับชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนของกา๊าซชิ้นส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยซึ่งบางยามก็ผลิตผลิตไม่ได้โดยไฟฟ้านะมันต้องใช้น้ำมันหรือถ่านหินแค่นั้นไม่พีแบตเตอรี่เนี่ย พอมันหมดอายุการใช้งานมันก็ต้องทิ้งแล้วกลบยเป็นขยะแล้วก็เป็นขยะที่นะเรียกว่าเต็มไปด้วยสารพิษนะจะเผาก็ไม่ได้นะจะฝังไว้ใต้ดินก็มีปัญหาก็กลายเป็นว่าเนี่ยทางออกนะของการใช้พลังงานนะโดยไม่ใช้การเผา น้ำมันในการขับเคลื่อนรถยนต์ทางออกก็ดูดีนะแต่ว่ามันมีปัญหาตามมานะว่าจะทำยังไงนะกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถลุงและผลิตหรือสกัดนะแร่ธาตุเหล่านี้รวมทั้งจะทำยังไงนะกับแบตเตอรี่นะที่มันหมดอายุการใช้งานอันนี้ก็เรียกว่าทุก ทางออกมีปัญหานะเป็นตัวอย่างอย่างแล้วก็ตามเนี่ยน ะ, ะเราก็จะไปมองแต่เพียงเท่านี้นะว่าทุกทางออกมีปัญหาทุกปัญหาก็มีทางออกเหมือนกันนะก็ต้องมองตรงนี้ด้วยมันก็เหมือนกับคำพูดว่าเนี่ยในวิกฤตมีโอกาส อันนี้ก็เป็นการมองในแง่ดีหรือว่าเป็นการ <c oughs> มองบวกว่าอย่ามองแต่เวลาเกิดวิกฤตจะมองแต่ปัญหานะมันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันนะทุกโอกาสนะก็มีวิกฤตินะอันนี้ก็จะพูดเป็นการมองในแง่ร้าแต่มันก็เป็นความจริงนะทุกโอกาสมีวิกฤตก็เหมือนกับ ในสุขเนี่ยในทุกมีสุขนะอันนี้มองแบบบวกนะในทุกมีสุขอย่างที่พระเจ้าตัสนะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกก็ยังหาสุขพบนะหลายคนก็สามารถพบความสุขท่ามกลางความเจ็บป่วยท่ามกลางความสูญเสียหลุดพ้นจากความทุกข์พราะเจอทุกข์นี่ก็มีเยอะนะนะ พระรหันจํานวนมากเลยนี่ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์เจอทุกแสนสาหาัสในทุกไม่มีสุขแต่ขณะเดียวกันในสุขก็มีทุกนะคนที่มีความสุขมากมนี้ก็เหมือนกับว่ามีความทุกเนี่ยรออยู่หรืออาจจะ ก, กาลังมีความทุกอยู่ก็ได้ในท่ามกลางความสุขเมื่อนคนที่มีเงินมากมายร่ํารวยประสบโชคได้ลาบถูกลอตเตอรี่ ได้กำไรมหาศาลนี่แต่ก็มีความทุกข์มีความเครียดมีความกัดกุ้มใจอันนี้เรียกว่ามันเป็นความจริงทั้งสองนะทั้งสองประโยคนะในวิกฤตนะมีโอกาสแล้วก็ในโอกาสก็มีวิกฤตเช่นเดียวกันนะทุกปัญหามีทางออกอันนี้เราก็ต้องรู้จังมองเลยนะอย่ามองแต่ปัญหาจนมองไม่เห็นทางออก คนที่มองเห็นแต่ปัญหามองเห็นทางออกนี่ก็เรียกว่ามองแต่ลบนะแต่คนมองบวกนี่เจอปัญหาเขามองเห็นทางออกด้วยนะขณะเดยกันเนี่ยทุกทางออกก็มีปัญหาอันนี้ก็จะเรียกว่าคนมองลบเนี่ยนะคนมองบวกก็เห็นแต่ทางออกแต่คนมองลบนี่เขาเห็นว่ามันก็มีปัญหาด้วยนะซึ่งก็เป็นการมองที่มีประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเราไป ยึติดกับการมองอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปนี่มันก็ทำให้เราเห็นความจริงไม่ครบถ้วนนะเพียงแต่ว่าคนที่มองบวกนี่ก็จะมีความสุขได้ง่ายส่วนคนที่มองลบก็จะมีความทุกข์ได้ง่ายแต่ว่าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นทั้งสองส่วนนะก็คือว่าทุกทางออกทุกปัญหามีทางออกแต่ก็อย่าลืมว่าทุกทางอ่อมก็มีปัญหาเหมือนกัน นะเวลาเจอสุขนะก็จะลืมนะมันมีทุกข์แฝงอยู่และเวลาทุกข์ก็จะไปหมดหวังเพราะมันมีสุขที่รอการคนพบจากเร า, นะเาคนเรานีิถานว่ารู้จักมองทั้ง2ด้านแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่มันก็มันก็ช่วยนะทำให้เราเนี่ยสามารถจะออกจากทุกข์แล้วก็ไม่หลงเพลิดในความสุขเวลามีปัญหาเราก็ไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยเพราะเราเชื่อว่ามันมีทางออก แล้วมองดีๆมันก็เจอจริงๆทางออกบางอย่างก็มันไม่อยู่ที่ข้างนอกนะมันอยู่ที่ข้างในนะอย่างที่ตันติณาทานบอก the way out is in ทางออกอยู่ข้างในอยู่ที่ใจนะปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ไม่ได้เก่งความสูญเสียความเจ็บป่วยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกถ้ามันแก้ข้างในนะปรับใจของเรานะมันก็ ไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้เนี่ยอนี้เราก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนะว่าทุกข์ปัญหามีทางออกแต่ก็อย่าลืมว่าเวลาเจอทางออกแล้วนะให้ลองดูดีๆว่ามันมีปัญหาตามมาดยหรือเปล่าโดยเฉพาะปัญหาหรือปัญาทางออกที่แก้ด้วยเทคโนโลยีแก้โดยการไปปรับเปลี่ยนข้างนอกไปจัดการข้างนอกเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหาตามมา ไม่ช้า ก, ก็เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการมองให้ครบถ้วนทั้งสองอย่างมีทั้งมองบวกแล้วก็มองลบนะไปควบคู่กันนะแล้วก็ในช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะมองเห็นความจริงได้ครบถ้วนนะไม่หลงเพลินในสุขแล้วก็ไม่จมดิ่งอยู่ในความทุกข์นะหรือว่าปัญหา